เดียกลับไปแล้วกัเอ่เปิดเป็นกลางค้างครับกลางค้าหน้าเท่าไหร่นะสอง้เจ็ดสิบเก้าหน้าสองอ็ดสิบเก้าข้อที่ห้าสี่เจ็ดนะครับพอดีวันนั้นเรียนมาถึงเนี่ยนะอะไรบ้างอ่ะว่าที่หนะสูรุสรุวั้นะครับสุรุสรุวัคโคฉัดโถนได้เรียนมาเรื่อยสาระหดักนะครับจนมาถึงข้อที่ว่า อะไรนะเกี่ยวกับการแสดงธรรม่ะมันเป็นทิ่พึงจะทําความสมเนหตุว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนมีโร่มในมือใช่ไหมที่ไม่ได้เป็นไข้แต่ถ้าเขาปล่วยไข้ไป็นองกั้งล่มนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถแสดงให้ได้นะคว่า ม, มีร่มอยู่ในมือนะจะกั้นอยู่หรือว่าถือว่าเฉยๆนี่ก็ไม่ได้นะครับตามใดที่ยังไม่ปล่อยมือนะก็เชื่อมีร่มในมือ เมื่อเขาปล่อยมือแล้วก็สามสารถแสดงธรรมเขาได้โดยที่ไม่ต้องอาบัต น, นะครับอืมคําในที่นี้ก็หมายถึงทําอะไรนะก็หมายกษัตริย์ปิฎกท่านกากฐานะครับที่ทคราพเจ้าพูดถึงเลยนะได้อ่าตอนต้นบรรยายน์เป็นหมดแล้วใช่ไหมครับอ่านไปแล้วนะอิสิพ า, าพาสิสารุภาสิเทวตาพาสินะครับก็ได้แก่พระชายปิดกเวรพุทธพจน์ทั้งสิ้นนะครับ ควาน่านการฐานะคือควานาางารฐานนะครับอย่านี้ที่เห็นเขาพูดถึงนะอครับทาอธิบายว่าอันนี้ไงคำได้แก่ถ้อยคำที่อิงอาศัยธรรมคือพระบาลเป็นพุทธพาศิษฐ์สารพุทพาศิษฐิสิพาสิเทวตตาพาสิษนี่นะ มันจะมีทั้งแสดงโดยบทแสดงเหโดยคณะนะครับแสดงโดบทก็ต้องลำบากทุกบทใช่ไมทุกทุ่งบทแสดงโดยบทนี่เป็นยังไงครับจําได้ไหมในเกี่ยวกันอนนะให้อนุประสามันครับแสดงธรรมแก่อนุประญัตสามันในบทจำได้ไหมครับแสดงธรรมในบทเป็นยังไงเมื่อคำว่าบทในทีนี้เข้าสัพเพสังขาราอนิจจติ ด้วยบทนี้คือเป็นยังไงครับเป็นคำคำคำเป็นคําคําอันนั้นเป็นด้วยอาการถ้าเป็นคําำนะหรือมาด้วยอาการแต่ถ้าือบทมันต้องเป็นอะไรเยอะกว่านะทั้งบาทนะครับเป็นแต่ละบาทแต่ละบาทนะเชื่อเป็นบท<ด> <andal. S 2> บทครับครับ <sabes. S 2> ถ้าหากด้วยขลัคือแต่แต่ละคำแต่ละคํา<ม>ไปนะแสดงด้วยบทก็ต้องดูบทแสดงดูอาการก็ต้องพุทธวุ่นขล นี้อนว่าติแล้ว น, นะมาดูคำอธิบายในการขาเลยหน้า2องรเจ็ดสิบเก้านะครับข้อที่ห้าสิบเจ็ดอธิบายฉัตรตปาณิสิกขาบทบรรดาสิกขาบทที่เกี่ยวกับการแสดงธรรมในสิกขาบทที่หนึ่งสูชื่อว่าน่าจะบุคคล น, นั้นจะผ่านนะครับบุคคลชื่อว่ามีร่มในมือทอะถือร่มชิดใดชินหนึ่งอยู่ในมืออารมณ์ทั้งหมดเลยใช่ไหม ล่มอะไรเนี่มว่าร่มผ้าสีขาวร่มที่ทําด้วยเสือลําแพ่นแม้แต่ล่มใบไม้เนี่ยเข้าใบตาลมันตัดนี่นะแล้วก็มาทําเป็นร่มใบตาลมีก้านนะตัดทั้งก้านเลยแล้วก็มาทําเป็นร่มนี้นะก็ชื่อมีล่มหนึ่งกันเนี่ยข้อถือร่มชิ้นใดชิ้นหนึ่งอยู่ในมือพิสูจนั้นจะวางล่มนั้นไว้ที่อวัยวะส่วนใดส่น ยังไม่ปล่อยจากมือตราบใดตามนั้นที่สุดจะแสดงธรรมไม่ควร mm hmm. ยังปล่อยมือ mm hmm. ยังถือร่ม อ, อยู่นะครับแต่ถ้ามีผู้อื่นก้ารล่มให้หรือร่มอยู่ข้างๆเพียงแค่ร่มพ้นจากมือก็ไม่เชื่อมีร่มมือ mm hmm. ไม่เป็นไรจะแสดงธรรมแก่บคค น, นั้นก็ควรการกำหนดธรรมที่แสดงในสิกขาบทนี้ เพิ่งทราบโดยในดังกามไปแล้วในประท้าโสธรรมสิขาบทที่ว่าเมือ่อกี้นะครับว่ตาววตัดจบของตัลฐานะจบข้อข้อนี้สั <c oughs> ้นวันนี้ไม่ยากหรอกล่มก็ลมก่อลมอะไรกแล้วแต่ที่มาใช้โดยที่สุดขนาดแม่ล่มใบไม้ก็ยังเป็นใช่ไหมล่มในมือก็ยังถือล่มอยู่ยังไม่ได้ปล่อยจนแค่นี้เองครับง่ายนะแต่ตอนนี้ก็มีอาณาบัตนะครับว่าไม่ได้จงใจแล้วไม่ได้ตั้งใจเพ้อสติไปนะครับ เขามีร่มในมือเนี่ยแสดงไปแล้วนี้นะครับไม่เป็นไรไม่รู้ <c oughs> นะครับไม่รู้ไม่รู้เป็นยังไงครับคือไม่รู้สินค้าหมดพันเตบอกว่าไม่รู้สินค้าบมด <c oughs> ใช่ไหมไอ้คำว่าไม่รู้คือไม่รู้อะไรครับชาบอกไม่รู้ว่าเขามีร่มอยู่นิ่งอะไรนะไอ้ที่มีความเป็นตัวอย่างที่สามไหม ไม่มีหรอนะใครมีความเห็นอย่างไไม่รู้สิขาโบนชาวบไม่รู้ว่าเขามีร่มอยู่ในมือไม่ยืดสุดเหรอทั้งสองอย่างเลยเอาแบบกันเลยใช่ไหมครับป้องกันไว้เลยนี่นะถ้าไม่รู้ว่าเขามีร่มอยู่ในมือมันก็น่าจะไปเข้าเพราว่าไม่แกล้ไม่จงใจใช่ไหมเขาเขามีร่มในมือเราแล้วไม่รู้เหรอ แล้วก็แสดงทําให้เขาฟังไปเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้จงใจใช่ไหมนะครับเขาว่าไม่รู้หรือไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอย่างนี้แหละเป็นการแสดงทำแกคนที่มีล่มอยู่ในมือที่กหลังแสดงไม่ไม่ไม่รู้ว่าแสดงทำหรือเปล่ไม่ไม่ใช่รู้เข้าเป็การแสดงทำก็มันเป็นคือถ้าจะเข้าใจว่าจะพาะการล่มอยู่เนี่ยนะวก็แสดงทำให้ฟังถึงจะเป็นการแสดงทำถ้าเขาไม่ได้กลางล่ม ถ้าเอามือถือจับร่มไว้ใช่ไหมทาไมไม่ท่าเนี้ยไม่เป็นเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะครับอ่คือไม่รู้ว่าการแสดงทำก่คนที่มีร่มในมือมีอีไยครับก็เรียนอย่างนี้นะไปนะครับได้นะทันนะครับอันนี้จบแล้วครับจบแล้วมีอะไรต่อไปข้อที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเลย ทานแับอันนี้สามบทเเียมีทอดไม้ในมืนะยังดูนีดูที่เชียร์นะคช้างเนี่ยจะงงนะยู่ไนแต่ผมมันยัง่งงครับช้างนี่ไงโอ้เนี่ยอันตัวนี้พูดาละเอียดนะพูดละเอียดนะอ่าให้ฟังหน่อย ถ้าบอกว่าพ่้นผ้าาเจ้าตัดไว้เพื่อทรงสแสดงโครงล่มทั้งสามชนิดก็ล่มทั้งสามชนิดนั้นนะครับมีล่มผ้าใช่หมลมผ้าแล้วล่มทำด้วยตอไม้ไผ่ล่มทุดใไดบไม้นะสามอย่างเป็นล่มที่เย็บเป็นวงกลมและผงติดกับซี่นะครับอันนี้เราใช้กันเนี่ยนะถึงแม้ล่มใบไม้ใบเดียวอันเขาทำด้วยคัน เส่งเกิดที่ต้นตาลเป็นต้นก็ชื่อว่าร่มเหมือนกันก็ตัดาเลยทั้งก้านแล้วมาทําเป็นร่มของเราบรรดาร่มเหล่านี้ร่มชิ้นใดชิด น, นดหนึ่งที่มีอยู่ในมือของบุคคลนั้นเห็นนั้นบุคคลนั้นชื่อว่ามีร่มในมือบุคคลนั้นกั้นร่มอยู่ก็ดีแบกไว้บนบ่าก็ดีนี่นะวางไว้บนตักก็ดียังไม่ปล่อยมือตราบใดแสแดงทําแก่เขาไม่ควรตราบนั้นเป็นทุกคนแก่ผู้สุขผู้แสแดงโดยดนายในที่กนั้นนั่นแหละ ต่อไปนะครับมาดูธันดะปาณิสิกขาบท น, นะในสิกขาบที่สองชื่อว่าไม้พลองได้แก่ไม้ที่มีขนาดยาวสี่ศอกนครับสี่ศอกของบุรุษ ก, กลางคนนี่นะมัมชิมาบุตเพราะวามาณสองเมตรนะครับก็ภาวะที่พิสุมีไม้พลองมือเพิ่งทรางเลยในดังกล่าวไว้แล้วในฉันตาปาณิสิกขาบท น, นะครับก็คือมือยังถือไม่พลองอยู่นะครับจะแบกจะบ้าคนต่างจะอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ว่ามือยังขีไม่พองนี่แหละชื่อว่าไม่พองนิ้วมือก็เหมือนกันพอเขาปล่อไม่พองนี่แสดงได้นะครับในสิทธาบทที่สามก็มีในนี้เหมือนกันนะครับเอาไม่พอยมือกนนะแต่ว่าถ้าเขาเป็นไข้ไใช่ไหมออไข้จะไปต้องใช้ไม่พองเนี่แล้วก็แสดงฝั่งหน้าถ้าจะป่วยไม่มีสบายนะจะไปต้องใช้ไม่พองนี่พยุงการนั่นได้นะครับ ในสินค้าหมดที่สามก็มีในนี้เหมือนกันโอ้สบายนะที่บายเยอคราวที่สามอะไรนะครับมีสตรางมือนะสตรางเราบอกว่าเขาก่อนได้แกะอะไรบ้างนะเขาพวกสต ร, ราอาวุทธที่มีคมนะครับที่มีคมข้างเนึ่งหรือว่าคมสองข้างนะจะเป็นดาบ น, นะครับเป็นกระบี่นะอะไรอีกนะหอกนะครับอันนี้นะ ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่อาคอมเตชันหนูจะเป็นอาวุธนะมีแดมีหอกมีดาอะไรน่ะมีพลักขันนะครับมีกระบี่มีอะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นสัตราของมีคมครับข้างดียหรือสองข้างกขาเลิกแปะเป็นแนั้นอเป็นต้นน่มันจะได้เยอะนะครับพวกอาวุธขวางแน่ยด้น่ะใช่ไหมขวานี่เได้นะครับม่ได้ครับมีได้แล้วครับ ขวา ม, มี่ครับหาแล้วกันนะหอกนะครับโอ้ไม่ได้เป็นอาวุธ <c oughs> นะทับพลานี่ไปได้ทับพลาไ <c oughs> ม่เีโต้อ น, นี่นะน <c oughs> ีกันดีก่กันนี่ไงนี่ไ<จ>งดาบดาบกับหมี่มี enge, ม ข, าขาาทกงต้อง ต่อไปนะครับจริงอ่าจิงอยู่บุคคลผู้ยืนถูกสอนดาย้ำไม่ถึงการเน้นว่าไป็นผู้มีศรัทธาในม่อที่เขาสอนไว้ข้างหลัง น, นั่นข้างข้างกแล้วแต่มึงกับผู้ทหารพวกอะไรสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่เรียนมือถือใช่ไหมเขาไปสอนติดไว้แต่ตัวเลยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอ๋อจอบแข็งเนียนนะทำไมสั้นจริงอ่ะสั้นนะครับเดี๋ยวี่ตรงนี้หน่อยมอธิบายเสริมไหม ไม่มีครับเคนต่อไปเกี่ย์ธนูขึ้นหน้าต่อไปนะครับข้อที่หกสิบอาวุธทปลานในสิขาบทและสิกขาบทที่สี่ธนูทุกชนิดนะพร้อมทั้งลูกศรทุกชนิดเนี่ยฟังทราบว่าเป็นอาวุธนะครับไป ถ, ถ้าเรามาอ่านในกลางขาถือว่าดีเลยนะถ้าสรุปแบบสั้นๆ ง, ง่ายๆไม่พูดไมเ่เยอะนะครับบอกธนูทุกชนิดเด่นแทบไม่ต้องไปคิดอีกเลย ว่ามีชนิดไหนบ้างใช่ไหมจะเจาะดูตรงการจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะว่าทุกชนิดเลย<ะ>ไม่ได้นะครับเอาไว้เป็นธ น, นูนะครับหน้าไม้หลังไม้อะไรก็แล้เนี่ยที่เป็นธะนูที่ยิงใช่ไหมลูกสรพุ่งไปนะครับรทุกชนิดเลยพร้อมแล้วลุกศอนทุกชนิดด้วยนะครับจะสอนอาวาุธที่ไม่อาวาธที่ก็แล้วแต่นะเพิ่งทราบว่าเป็นอาวุธนะครับ เพราะฉะนั้นบุคคลถือธนูพร้อมทั้งลูกศรก็ดีนะครบเลยเนี่ยทั้งธนูทั้งลูกศรถือไว้ถือแต่ลูกศรหนึ่งเดียวก็ดีขณะนี้นะถือแค่ลูกศรอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถือแต่ธนูมีสายก็ดีถือแต่ธนูไม่มีสายก็ดียืนหรือนั่งอยู่ก็ดีมือยังถือธนูไม่อยู่พิสุจจะแสดงธรรมไม่ ค, ร, ครันะรแต่ถ้าธนูเข้าสวมไว้ที่คอมาคล้องมาเลยนะมือไม่ได้จังนะครับ ตลอดเวลาที่เขายังไม่เอามือจับทิธนมพระสู่จะแสดงธรรมแก่ของก็ควรแต่ไม่เอาปืนด้วยล่ะทหารถือปืนอยู่เป็นยิ่งกบ่าธนูนะอันจะสมข้อข้ได้นะครับถ้าเราเอื้อหสวหาบทนะให้แกวางปืนก็แล้วกันนะครับทหารใช่ไหมทหารถือปืนนี้นะครับมาฟังธรรมแสดงไม่ค่อยมีอย่างนะ้ส่วนใหญ่ ที่ข้านั่งบนไปข้อไม่ถือปืนถืออะไรห่ะกเขาจะนั่งแต่มันจะไปโดยข้อนี้ส่วนใหญ่เท้าเรกเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาจะสวมรองเท้าใส่รองเท้าแล้วก็นั่งฟังธําไปเขาไม่นิยมถอดหรอกใช่ไหมถอดไปทําไมเข้าไปไหนเขาใส่กันทัางนั้นนะครับอันนี้มันจะไปโดยข้อนั้นนะเราก็บอกให้เขาถอดก็ได้แต่เป็นภาษาไทยก็ไม่ต้องอาบัตนะในภาษาไทยก็ไม่ต้องอาบัครับ แต่เขาครูบาอาจางย์เขก็อาศัยความเอื้อเฟื้อนนะครับหนักในธรรมนะถ้าเราบอกเขาได้เราก็บอกได้อให้เขาถอดรองเท้าโยมเนี่ยตามวินัยตามธรรมก็่าวไปเข้าถอดก็เขาถอดรองเท้าแต่ก็เหยียบบนรองเท้าไม่ได้ไม่ได้ครับที่ไซบาแล้วถอดแล้วก็เหยียบใส่แล้วก็บอกไม่ได้ครับผม่าเจอบอกให้ยืนขึ้นครับก็ยืนนะยืนเหยียบรองเท้าอยู่ ให้ถอดเราตอนแรกถอดก่อนถอดเพื่อยืนมันก็เลยต้องให้รองเท้าถอดก่อนได้เราก็โยมนั่งร่างอยู่นั่งอ๋อยม่่นั่งอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราจะให้พอนะนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าตอนที่ให้ผอนเพราะเป็นการแสดงธรรมตอนที่ต้องใส่รองเท้านะครับมาใส่บาตให้เราปัญหานะรองเท้าใส่บาตรเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไท่ามันคมไม่ล้ามหรอ พ่อผมก็โยมไม่ให้ทํานไม่ให้คารอบยังมาใส่รองเท้า อ, <c oughs> อีกอาจารย์ตอนเสร็จเรีย น, นอาจารย์บอกว่าโอ้ยเราน่ยมือนก็ขอทานไม่ขอเขา <c oughs> ไปขอกินยมาเรื่องมาให <c oughs> ้เขยแคใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่กแส็แล้วแต่สิเพราะว่าใส่บาสให้เราฉันเขาก็ดีแล้วนะเราจุดว่าเวลาจะแสดงทําให้เข้าฟันครับเราไปเข้าถอดรองเท้าแล้ว ก, อลอกันตอนนั้นเขาไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เขาจะไม่รู้ว่า การทบุญอย่างนี้มันยัไม่ไปนิดพอใช่ไหมครับแค่นั้นเองคือเป็นรองเท้าที่พุ่งต้นหรือว่าเป็นเข้าไปหรือว่าเป็นของเล็กยังตอะไรอืมครับมันก็ถอยากครับครับไม่ได้นั่นไม่ได้เลยครับใช่ครับถ้้เนี่ยาบไม่ได้ไม่ได้ครับล้าก็เรียกเป็นที่เคยบอกว่าให้พรภาษาไทยแทยครับ คครัมบ <c oughs> ให้ภาษาไทยแทนหรือว่าถ้าเข้ามากับทั้งลูกทั้งเมียใช่ไหมลูกเมียเขาถอดได้เนี่ยแล้วก็ใส่ใจว่าให้พรแกบลูกเมียแันนะครับนี่ก็ได้นะ <c oughs> ถ้ามาหลายคนอย่างนี้นะใครถอดแล้วก็ใส่ใจว่าให้พรแก่นคนนั้นนะครับได้ะครับอ๋อนี่จบแล้วนี่แค่นี้นะครับจบเลยต่อไปนะครับกลับมาในวัสดุธี จะมาขึ้นข้อใส่รองเ ท, างท้าแล้วนะัทำพวกนี้เวลาเอาลูกในมือเนยถ้าเราแสดงไปตอนนั้นเขาไม่จับครับแต่พอแสดงไปแสดงไปเขาก็จับบ้างไม่จับบ้างเนี่ยต้องบอกให้เขาให้เขาวางเลยเขา้าใจแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตั้งใจนะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเขามาจับตอนไหนเราก็ไม่รู้เผลอว่ากันจับอยู่แล้ <laughs> เราอยู่เนี่ยเราบอกระวังนายโยมเขก็วา่ววาแล้วก็เพิ่งจับอีกใช่ไหมครับหน้านั้นมันได้มีเจตนานะ น, น, น, นะครับไม่เป็นไรนะครับอืมถ้าจะเคยตัวนะเคยจับมันเรืนนะ่อยเนี่ยต่อไปนะครับวันทีหน้าร้อยหกสิบเจ็ดบทสอบ ว, วิธีข้อที่หกสิบเอ็ดอ่านให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยหกสิบเอ็ดนะครับ บันปะชิพึงนกระทำความสำเหนียวกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้ยืนบนเขียงเท้า6กสองบันปะชิพคืนกระทำความสำเหนียวกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้ยืนบนรองเท้า6กบสามันปะชิพคืนกระทำความสำเหนียวกว่าเราจะไม่แสดงธรรม แก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่อยู่บนยวดยานพาหนะไปในยานเหมือนกันถ้าไม่นั่งกับป่าหรือไม่ได้นั่งบนยานที่ตามหลังแสดงคำได้หกสิบสี่บรรพชิตึงจะทําความสัำเสียว่าเราจะไม่แสดงคำแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่อยู่บนที่นอนหกสิบห้า บ, okay. บ, บันปะชิกพึงกระทําความสันเหนียวว่าเราจะไม่แสดงคำแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้นั่งกอดเข่าหกสิบหกบันปะชิกพึงกระทําความสันเหนียวว่าเราจะไม่แสดงคำแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้มีภ้าโพกศีรษะจนไม่เห็นเส้นผมหกสิบเจ็ดบันปะชิกพึงกระทําความสันเหนียวว่า เราจะไม่แสดงคาแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้ผมผ้าคุมศีรษะจนไม่เห็นเส้นผมหกสิบแปดบันพชิพึงกระทาความสาเนียก ว, ว่าเร า, เรานั่งบนพื้นดินจะไม่แสดงคาแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่นั่งบนอาสนะแม้จะเป็นเพียงญาหกสิบเก้า บันพชิกพึนกระทำความสำเนยจว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่นั่งบนอาสนะสูงกว่าเจ็ดสิบบันพชิกพึนกระทำความสำเนยจว่าเรายืนอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่นั่งอยู่เจ็ดสิบอดบัรพชิกพึนกระทำความสำเนยจว่า เราเดินตามหลังจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้เดินไปข้างหน้าเจ็ดสิบสองบันพคิกึงกระทำความสำเสียว่าเราเดินนอกขนทางจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้เดินบนขนทางค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนมันดูที่บาข้างนะครับบอกว่า ต่ไม่สแสดงทําแก่คนที่ไม่ได้เป็นข่ายยีนบุญเขียงท้าเขียงท้าก็พวกเกี้ยนะทําด้วยไม้ครับแต่ในดีกาบอกว่าดีกาเ น, นะนที่นยมหาปจดียังครับบอกว่าที่ทําด้วยหนังนะก็มีนะพวกเกี้ยนะมันจะมีเขียงท้าที่ติดอยู่กับที่นะะสมัยก่อนคือเขียงท้าที่เขาทําให้บนโถส้วมสมัยก่อนเขาจะทำเป็นเขียงท้าเวลาไปนั่งนะ ก็เท <ose> ER ้าสองเมืองนึกคนอินเดียเลยครัแล้วก็นั่งถานแต่ละเขียงเท้าที่เขาใช้เดินไปเดินมานะอันึกถึงอพวกคนจีนหรือคนญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะสวมเกี้ยใช่ไหมครนั่นค่ะคุณยิ่งถ้าเราไปอ่านในพระวินัยปิฎกบว่าไม่ได้ไม้ไผ่อย่างเนี้เกี้ยใครเคยเจอในในแต่ละถางอธิบายไว้นะครับทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยอะไรด้วยหญ้าก็ไม่ได้ครับจิ้มหลายอย่างนะ ครับแต่ที่พูดถึงที่ทําด้วยไม้แล้วก็ทําด้วยหนังนะครับไม่ได้จะสวมก็ดีหรือว่าถอดแต่ว่ายืนหยิ่บนเกี้ยนก็ดีใช่ไหมไม่ได้ท<ม>ังนั้นครับอาเนอกจากว่าเขาเป็นไขยก็จะไม่ต้องใส่นะจะไม่สนนแสดงทําแต่คนที่การยืนบนรองเท้านี่ก็เหมือนกัน<ม>ไปนี่นั้นะครับอคนที่ไม่ได้เป็นไข่อยู่บนย่วนยานพ้านะนะครับหมายความว่าเข้านั่งไปบนยานนะ วันรถนะครับมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะเราเดนก็นแล้วแต่ทานหามเกวียนนะครับหรือว่าขอนอนบนเปล <c oughs> หรือว่ามีคนแบกขึ้นบ้านะเอาผ้าเป็นตัวรองเหมือนกับแบกเด็กขึ้นบ้านนั่นะครับหรือถ้ า, าแม้ขนาดนี้นะอันนะครับข้ามมือประสานจับันอย่างนี้นะ่ะให้แกขึ้นมานั่งบนมือเนคะ <c oughs> มไหมตอนเป็นเด็กไนะหมเคยเล่นไหมครับอออนั่นะครั บ, <c oughs> น, รบนั่นแหละก็เชื่ออยู่บนยาทั้งหมดนะ แม้ขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครั บ, บเล่แสดงทําให้เฟังไม่ได้ถ้าเราอยู่ข้างหน้านะนอกจากว่านั่งรถไปด้วยกันนะครับอยู่บนรถเหมือนกันนะเท่ากันอันนี้ก็สแสดงทําให้ฟังได้จะเป็นรถคนรัคันก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ได้ตามหลังนะเสมอกันหรือว่าตามหน้าเขาเราอยู่รถที่เท่าเข้าหน้าหรือว่าที่สูงกว่านะครับสแบสดงฟังได้ถ้าเราอยู่บนยางที่ต่ำกว่าหรือว่าตามหลังเนี่ยก็ไม่แสดง เขาเนี่ยอาจารย์เขบอกว่าถ้าอยู่ไปในยานเหมือนกันก็ได้นะถ้ายานั้นไม่ต่างกว่าหรือไม่ใช่ไม่ได้นั่งบป็นยานที่ตามหล่กแสดงทําได้ในภาษาบาลีก็ไม่เป็นไร <c oughs> แก่คนที่ไม่ได้เป็นไข่ยอยู่บนที่นอนใช่ไหมอยู่บนที่นอนนี่หมายเอาว่าเยียยาบนนอนนะครัเข้านอนอยู่นะไอ้ที่นอนแม้มันจะไม่ใช่ที่นอนแม้จะเป็นบนพื้นธรรมดาหรือบนดินนะครับแกจะนอนลงไปบนดินเลย หรือนอนการถนนอะไรอย่างี้กับวันนั้น <c oughs> ใครจะไปนอนการถนนเลยก็แล้วแต่นะแต่ลราอุดียาบนนะออั่งอุดียาบุยืนถือว่าอุดียาบนอนมันสบายกว่าใช่ไหมค้ mm ับเราก็จะมาแสดงทําให้เขาฟังนอกจากว่าเขาปูดเขามัสบายนะเขาจะไม่ต้องนอนพังนะครับนั่นเราแสดงฟังได้นะครับ mm hmm. ถ้านอนก็คือถ้าต้องนอนด้วยกันนะนอนก่บนอนด้วยกันเนี่ยแสดงฟังได้นะครับ mm hmm. แต่เราต้องนอนเท่ากันนะหรือว่าสูงกว่า ถ้าเขานอนสูงกว่าเราก็ไม่ได้แต่ก็ไม่แสดงถ้าเราผ้า น, นอนเนี่ยแสดงแก่คนนอนคนนั่งคนยืนได้ทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรถ้าเรานั่งแสดงแก่คนนอนไม่ได้แก่คนนั่งคนยืนได้ใช่ไหมครับถ้าเรายืนแสดงแก่คนยืนได้อย่างเดียวแก่คนนั่งคนนอนไม่ได้เพราะถือว่าเขาอีเดียมุตรอีเดียบุตสบายของเราเนะะี่ยแสดงฝั่งไม่ได้ไปครับ <c oughs> แล้วก็อะไรนะ จะไม่แสดงธรรมคนไม่ได้เป็นค่านั่งกอดขาอันนี้ไม่ยากนะครับเอามือใช้ผ้าหรือว่าใช้สายรักษาอะไรก็แล้วแต่นะเนีย่ยทั้งนั้นนะครับตามบ้านนอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยบางที่นะผ้าเท่อยู่นะครับพวกอะไรนะพ่อแก่แม่เท่าเนี้อะไรไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> <c oughs> นั่งกอดข่านะครับฟังธรรมไปแล้วก็นั่งเหมืองร้อย <c oughs> มองท่าแสดงธรรมไปนะมือ ก, กอดข่าเป็นอย่างงี้ครับนะี่โอ้หน่าดูเลย บ <laughs> างีผ้าในมือเข้าไปเขาเล่าไม่ได้แล้วนอกจะมีไหมเวลาเคี้ยวหมากอะไรน่ะมันก็พวนน้าำลายลงไอ้ <laughs> ตรงบ้านเกานะครับบนบ้านมันมันจะมีช่องไม้ใช่ไหมมันสามารถถือน้ําลายลงไปได้นะนะครับก็ถือน้ําลางตรงนั้นตรงช่องนะครับถ้าไม่ตรงช่องก็มือป่าน <laughs> <laughs> แลก็แช่ลงไปให้ <laughs> <laughs> มันไหลไ ป, ไปตามนั้นนะนะครับผ้าในมือไปโอ้เล่าไม่ได้ นั่งก่อนนั่งก่อนเขาแล้วก็ถุยน้ำลายแทะถ้อเป็นเรื่องปกติท่านนะแต่นี้ไม่ได้นะต้องให้เขาไม่ไม่กอดเขานะถึงจะได้นะครับอแล้วก็อะไรนะไม่แสดงทําแก่คนที่ไม่ได้เป็นไข้นะครับมีผ้าพอกศีรษะอันนี้หมายควว่าพอกจนเส้นผมไม่ฟากดไม่เห็นเลยนะครับแล้เราให้เขาเปิดผ้าสักหน่อยนะ ให้เห็นผมเนี่ยก็สามารถแสดงทําให้ฟังได้คอาเป็นพวกผู้หญิงเซางใช่ไหมหรือคนทํางานก็แล้วแต่นะก็เอาผ้าพอกหมังปิดเส้นผมหมดเลยนะครับห้สิบเจ็ดนะครับนว่าไปแล้วนะเป็นไข่ผมผ้าคุมศีรษะจนไม่เห็นเส้นผมก็เหมือนกันเมื่อกี้ผ้าพอกใช่มหมนี่ผ้าคุมก็ไม่ได้เหมือนกันครับให้เขาเปิดผ้านะแสดงเส้นผมข้าหดเราใช้ได้นะครับ อันนี้บอกว่าเรานั่งบนพื้นดินใช่ไหมจะมาแสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นใข่นั่งบนอาสนะแม้จะเป็นเพียงหญ้านะครับไม่ได้นั่งที่นี้นะจะเป็นเก้าอี้เป็นผ้าหรือแม้แต่เป็นหญ้านะครับเรานั่งบนพื้นดินธรรมดาเนี่ยแต่เขาไปนั่งบนหญ้าใช่ไหมหรือนั่งบนรองเท้าอย่างนี้นะครับก็ชื่อว่าบนอาสนะมันที่นั่งทั้งหมดนะครับไม่ได้หรอกนัง่งบนดินก็ต้องบนดินด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในที่สูงกว่าหรือว่าที่มัน ดีกว่านะครับที่แสดงทั้งก็ฟังได้นะหรือว่าเสมือนกันก็ได้ครับต่อไปหน้าอัสนะตา่างจะไม่แสดงธรรมคนไม่ได้เป็นค่ายนั่งบนอัสนะสู่อันนี้ชันแล้วนะครับไม่อ ย, าย่างไรเรายือนอยู่เนี่ยมาข้อนี้นะจากไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ได้เป็นค่ายนั่งอยู่นะครับอันนี้ก็ชัดแล้วเดินตามหลังจะไม่แสดงธรรมคนที่ไม่ได้เป็นค่ายเดินไปข้างหน้า แต่ว่าเกิดข้อถามปัญหาเราทำยังดีครับไอ้ครูบาอาจารย์ถามปัญหาเราเนี่ยเอาท่าพูดถึงว่าอะไรนะอา่าถ้าลูกศิษย์นะครับเข้าไปหาอาจารย์แล้วก็อาจารย์นั่งน ะ, าาออะท่านยืนอยู่พราท่าเพิ่งเข้าไปใช่ไหมอาจารย์ก็เลยถามปัญหาท่านเราเนี่ยท่านจะบอกถ้าอาจารย์ลูกคุณเธอ <c oughs> อาจารย์ลูกขึ้นสิเพราะผมสะแสดงท้ายไปฟังไม่ได้นั่นเนี่ยอา <c oughs> จารย์ลูกขึ้น ท่านจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเขาครูบาอาจารย์วัดถิล่างนะครับด้วยความเคารพใน อ, อาจารย์ที่สุดแม่สามมันจะพูดอย่างนี้ได้ครับถ้าอาจ้างลุกขึ้นลูกไม่ดูไม่ดีไม่เคารพเลยแล้วก็ให้ทํายังไงครับก็ถือว่าท้ามีเพื่อนไปด้วยนะก็ทำใจว่าแสดงให้แก่เพื่อนฟังนะครับที่ยืนด้วยกันนะในวิธีนี้นะครับยังไงก็เราก็แสดงฟังไม่ได้แร้ว อันนี้นายดีการก็อธิบายว่าอการที่อาจารย์ถามปัญหาที่นะหมายถือว่าอาจารย์ถามปัญหาด้วยความสงสัยนะครับก็เลยถามลูกศิษย์แค่ลูกศิษย์ ต, ตอบแต่ถ้าเป็นการถามลองภูมินะลองความรู้สึกอาจารย์นะครับว่าลูกศิษย์จะมีความรุนแค่ไหนอย่างงี้นะอันนี้ฉันบอกว่าลูกศิษย์สามว่าตอบได้เป็นไรนะครับนายดีการบอกเนียนครับอเพราะว่าอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วมันชอบไม่รู้ใช่ไหมแค่ต้องการให้ลูกศิษย์คนนี้เข้าสแสดง ความสามารถมีความสามารถแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถามเรื่องหน้าความไม่รู้นะต้องการรู้สักแสดงให้ฟังนี้ก็ไม่ได้เนี่ยก็มีวิธีเลี่ยงที่ว่านะหลายกรณีเลยนะครับถ้าเราไม่ถามมันจะพูดอะไรก็ไม่ได้นะบอกใครก็อะไรไม่ได้มันหลายกรณีใช่ไหมครับเราถามมาทําใจว่าสแสดงคำไม่แก่คนอื่นข้างๆฟังได้คนที่ยืนเหมือนกันอะไรเหมือนกันนี้นะเราถามมาทำใจไม่ได้นะครับที่บอกว่าเวลาบินทะบะใช่ไหม ในกรณีบางที่มันพูดในแวดวงไม่ได้นะครับไปถิ่นข้าวอย่างเงี้ยนะโ <c oughs> ยงก็มองไอ้พระก็มองอะไรทำไมไม่ยอมให้พออะไรอย่างงี้ครับก็ใช้วิธีนี้นะครับนะต่อไปเดินตามหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการสาธยายทำร่วมกันได้ะครับถึงเดินไปด้วยกันนี่แหละแต่เพื่อนที่เดินมาข้างหน้าใช่ไหมอ้าวชวนเราสาธยายทำนะครับ อ่ะทำะไรนะ่ะสุดท้ายิปริษยกันนะครับเดินไปแหละแต่ว่าถือว่าเป็นการหาขยายธรรมไปร่วมกันนะไม่เป็นไรนะครับเพราะมไม่ได้มีใครสแสดงใครฟังใช่ไหมเราเดินออกนอกหนทางจะไม่สแสดงทํามในคนที่ไม่ได้เป็นคข้เดินบนหนทาง <c oughs> เพราะบนถนนธรรมดามันจะสูงกว่าแล้วก็พื้นดินมันจะสบายกว่าเป็นลานยา ง, ยางเป็นถนนก็แล้วแต่มันจะดีกว่านะครับ ถ้าไปจริงข้างล่างมันจะต่ํากว่าหรือว่าหนทางไม่สะดวกงเงี่ยนะนะครับนอกจากว่าท่อนอกทางก็ต้องนอกทางเหมือนกันนะครับที่จะคนละฝั่งแล้วแต่นะถ้าในหนทางก็ในหนทางเหมือนกันอย่างงี้ถึงแสดงฝั่งด้านก็อันนี้แค่นี้นะต่อไปมาดูต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่าม า, ากสุดใคระพะวกขีดหมดเลยพักตะวกขีด หน้าหนาหนันข้างนัน้ น, นะครับ้ามนหอามันจมีชกลางคานเก้าล้อยหน่ครับเก้าสามิบสองนะปลาทุกาวาเกียตเขียงเท้ารองเท้านะครับตรงนี้สา ว, นสาวนานันที่นิทานครั้งนั้นพระเจ้าปกักกี้แสดงธรรมแก่บุคคลผู้สูมถุงเท้า พวก็ทรอธิบายว่าอันพิสุไม่ควรแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้สวมขียงท้าพิสุดาแสงความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ยืหยียบเขียงท้าก็ดีผู้สวมเขียงท้าก็ดีผู้สวมเขียงท้าหุ้มซ่อนก็ดีนะครับตั้งบรรุกกฎนะครับมันมีหลายแบบให้มาเขียงท้านะนะครับหุมซ่นไม่หุมซ่อนก็มีนะเนี่ยไม่ได้ทางนั้นนะครับ อนาบัตรก็เหมือนกันนะครับไม่จงใจเผลอไม่รู้อาภาพาอันตรายพวกนี้ได้ครับต่อไปข้อที่สองออสามัตถีนิทานครั้งนั้นพระเจ้าปักีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้สวมรองเท้าคำอธิบายก็เหมือนกันนะครับว่าผู้เหยียบรองเท้าก็ดีนะสวมรองเท้าก็ดีผู้สวมรองเท้าหุ้มซ่อนก็ดีต้องบัตรทุกฯกเท่านั้นไม่ได้เหลยนะครับต่อไปข้อที่สามสามวัตถีนิทาน ครั้งนั้นก็จะว่าคีสแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งในยาพผู้ง่วงสธิบาลว่าที่ชื่อว่ายาได้แก่คานหา ร, รถเกวียนเตียงหาวองเปลยหาเด็กข้างหน้าจานธิบาลนว่าแม้ขนาด น, นี้นะแม้แต่รถนะครับที่มาเหลือแต่ล้อเคยเห็นเกวียนไหม ที่ทออเออเขาถอดไม่ใช่มันเหลือแค่ลอ้อของมันเอ ง, องอข้าไปตั้งโชว์ใช่ไหมมันจะเหลือแต่ลอ้อแล้วก็เพลาที่อยู่ตรงข้างใช่ไหมครับ อ, อ่เหลือแค่นั้นนะและเขาขึ้นไปนั่งอยู่ก็ถือว่านั่งบนยางไม่ได้เลยท่านยังเป็นคันปนอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแต่สมเราเกียรที่ไม่มีล้อแล้วเกียร์ที่ไม่มีล้อแล้ว่มมวไมครับเป็นยังไงเพือ่อนก็ถอดลอ้อนั่นมันจะตั้งยังไงครับ ตัดกันได้นะตัดไปกับพืนไอ้กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับพูดแต่ว่าเหลือแต่ร้อนะครับอ๋อขนาดเหลือแต่ร้อก็ยังเป็นแล้วถอดล้อออกถอดล้ออนะครับก็ยังมันยังเป็นอยู่นะถ้าเป็นรูปเงมาวายางนะครับนอกจากว่าเกไปทาอะไรนะไปทาเป็นบ้าไอะไรไปแล้วมัก็เงียบ อันพิสูจไม่เพืแสดงธรรมแก่ ian, prophet, คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งไปในยานพิสุดาสาัยความไม่อื้อเฟือแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไายผู้นั่งไปในยานต้องบัตรก่อนนะครับอนานาบัตรเหมือนกันเลยสามวันทีนิทานครั้งนั้นก็จะาปกรณแสดงธรรมแก่บุคคลผู้อยู่บนที่นอนอันนี้ผู้เถรงก็อธิบายนะครับกันนะบอกว่าพิสุดาอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นอนอยู่โดยที่สุดแม่นอนบนพื้นดิน ไม่ยังเป็นต้องกลาถึงนอนบนเตียงเนะแม้นอนพื้นดินก็ไม่ได้ต้องบัดทุกข์นะครับอานาเหมือนกันเลยสามวัีนิทานครั้งนั้นประจว บ, บกีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งรับข่าวอันนี้ก็หน้ายนะครับพิสุดาสายของไม่อึดอเึ้งแสดงธรรมแก่บคุคคลไม่เป็นไข้นั่งรับข่าด้วยมือก็ดีผู้นั่งรักข่าวด้วยผ้าก็ดีต้องบัรทุกข์นะครับอานาเหมือนกันข้อที่หก สามัตถีนิทานครั้งนั้นพระเจ้าบุีแสดงธรรมแก่บุคคลผู้โคกผ้าพันศีรษะนะครับผ้าโกของพันศีรษนะใช่ไหมพระพุทธองค์ก็อิบายว่าที่ชื่อว่าพันศีรษะคือพันไม่เห็นปลายผมนะครับไม่เห็นปลายผมไม่ขึงเลยนะครับอันที่สุดไม่ถึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้คู้โคกผ้าพันศีรษะที่สุดาสารผมไม่เอื้อเฟื้อ แ, แสดงธรรม แก่คนไม่เป็นไข่คู่พ่อผ้าทำศีสษะต้องมาทุกคนนะไอตรงนี้นะแนะ่นะบาดมีพิเศษเข้ามาหน่อยนะครับว่าให้เขาเปิดนะปลายผมจุกแล้วสแสดงนี่เขาเข้าโชว์ปลายผมหน่อยนะเปิดผ้าถ้าหน่อยเห็นปลายผมเนี่ยนะก็สแสดงทํำเขาฟังได้นะอันนี้มันกำลใส่จุกไว้ไม่เป็นนะเป็ น, ปนจุกมันจุกไ่เกี่ยวะะไปสามวันทีนิทาน ครั้งนั้นพระเจ้าปะคีสแสดงธรรมแก่บุคคลผู้ห่มผ้าคุมศีรษะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันในธรรมบาญญัติเหมือนกันนาณนามบา ก, ก็บอกว่าให้เขาเปิดผ้าคุมศีรษะและสแสดงได้ข้อที่แปนะครับสาบฉินิทานครั้งนั้นพระเจ้าปะคีนั่งอยู่บนพื้นดินสแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่บนอาสนะนะครับอี น, น่นะพิสูดานสายความไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนพื้นดิน แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นค้านั่งอยู่บนอาสนะต้องบัตรกดอาาบัตรเหมือนกันเลยนะครับข้อก้าแล้วนะโอ้ข้อการี่ยาวข้อการนี้เป็นเรื่องราวนะใส่ใจให้ดีน ะ, ะสามัตถินิทานข้า่นนั่งพระเจ้าปัจจุบนั่งอยู่บนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่บนอาสนะสูงบรรดาทีา่สุงที่พูดมากน้อยสันโดษต่างก็เพ่งตั้งใมุตนาว่าฉนัยพระเจ้าปัจจุบนนั่งอยู่บนอ า, าสนะต่ำ จึงได้แสดงทําแก่บุคคลผู้นั่งอยู่บนอัศนะสูงเล่าแล้วกล่าวมือนั้นแต่พระเจ้าพุทคธทรงสอบถามทรงจิตเตรียมก็จะปักขีแล้วยังไม่บรรลุศึกษาบทนะครับพท่องคันแล้วทรงทําทมีกระทาลําสั่งกบับจุั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าเรื่องภรรยาของบุตรจันทานดูก่อนที่จุั้องหลายเรื่องใครมีมาแล้ว ภรรยาของบุรุษจันทานคนหนึ่งในภาคคอนพานาสีได้ตั้งครรภนะครับเป็นคนจันทานแต่คุณต่ำที่สุดใช่ไหมเมียก็ตั้งครรภนะครับนานได้บอกแกสามีว่านายดิฉันกําลังตั้งครรภดิฉันอยากรับประทานมะม่วงนะครับสามีตอบว่ามะม่วงไม่มีมพ่อไม่ใช่หน้ามะม่วงโอ้ไม่นะลาบากอะไรนะจะกินมะม่วงตอนที่ไม่ใช่หน้ามะม่วงจะทํำยังไง ดันมาแพ้ท้องอย่างนี้นะ <c oughs> นางก็เลยกล่าวว่าถ้าแม่รับประทานดิฉันจับตายนะเราตายแน่นะทาไมได้ินมะม่วงครับมันแพ้คันอย่างนี้แหละสมัยนั้นต้นมะม่วงของหลวงมีผลไม่วายอยู่มีอยู่ต้นหนึ่งครับไม่เป็นมะม่วงสามฤดูหรือเปล่งงาครับมะม่วงหนักหรือมะม่วงสาฤดูเพ้าะมันจะใช่ไหมมีผลตลอดฤดูหรือเปล่าเนี่ยว่ามีผลไม่วายนะตลอดเลยบ <c oughs> ุตรจันทานั้น เดินเข้าไปที่ต้นมะม่วงนั้นเนี่ยเพราะเห็นเนี่ยภรรยาเนะี่ยเขเลยต้องทำอย่างนี้นะครับอลักรอบเข้าไปในพระอุทยานนะครับของพระราชานะเข้าไปที่ต้นมะม่วงนั้นเลยครั้งแล้วได้ขึ้นไปแฝงอยู่บนต้นมะม่วงนั้นคอยเรื่องราวนะ่ะเข้าไปเก็บมะม่วงแล้วใช่ไหมนะครับเก็บมะม่วงแล้วถ้าแล้วขี้บ้านยังไงนะถ้าออกไปตรงกลางวันเนี่ยคนจะเห็นนะครับ รู้สึกเขาผมจาเรื่องราวไม่ได้ใครพอจําได้นะครับแกไปกลางคืนใช่ไหมกลางคืนหรือกลางวันไหนๆนะครับมันก็ไปกลางคืนแล้วก็ไปเก็บนะครับไปเก็บจนจะสว่างนะครับแล้วก็ถ้าจะกลับไปตรงกลางวันนี้ไม่ได้นะถ้ากลับไปกลางคนจะเห็นนะครับก็เลยต้องรอให้มันอ่ามื่กลางคืนก่อนนะถึงจะกลับได้แกก็เลยขึ้นไปแฝงมันต้นมะม่วงครับ รอให้มันมืดนั่งข้ามก่อนว่าจะกลับตอนนั้นนะครับอันนี้เพื่อบแบบอยู่บนต้นมะม่วงใช่ไหมพอดีพระเจ้าแผ่นดินได้สืบไปถึงต้นมะม่วงนั้นทั้งแะระทฐมนั่งบนพระราชอาสูงทรงเรียนมนกับพาลปุโรหิตนะครับซึ่งนั่งอยู่ในอัศวนาต่ตํากว่านะบุตรจำทางคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ประทฐมนั่งบนพระราชาสูงเรียนมนชื่อว่าไม่เคารบธรรม และพรามคนนี้นั่งบนอาสนะต่ำสอนมนต์แก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบนอาะพระราชาสูงก็ชั่วไม่เคารพธรรมส่วนเราผู้ลักลอบมุ่งของหลวงเพราะเห็นแห่งสตรีก็ชั่วไม่เคารพธรรมเหมือนกัน mm hmm. เนี่ยแท้จริงการกระทําทั้งหมดนี้ล้วนต่ํำสากทั้งนั้น mm hmm. ดังนี้แล้วไต่ลงมาณระหว่างพระเจ้าแผ่นดินและพาทั้งสองนั้นแหล แล้วปรกาศปฐาขึ้นว่าดังนี้นะครับทนไม่ได้นะกถึงแมนจะเป็นบุรุจันทานะครับมาทําอย่างนี้ไม่ได้ยงไงเนี่ยไม่เคารพทำใช่ไหมเดินลงมานะครับสมัยเนี้ยอายุรประมาณประหารปะหารไม่มีถ้าพระราชาไม่เป็นนะแต่พระราชางองค์อื่นนะครับไม่แน่เราดีดีมีใครม่รู้เดินลงมาแล้วก็มามาดําหนิพระราชาใช่ไหมต่อนหน้าปุโรหิต น, นี้นะครับ ให้ก็กล่าวมินะว่าทั้งสองไม่รู้อัดทั้งสองไม่เห็นธรรมคือพราหมณ์ผู้สอนมนุ์โดยไม่เคารพธรรมและพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเรียนมนุ์โดยไม่เคารพธรรม <c oughs> ว่านี้พรามณ์นั้นกล่าวคาถามว่าดังนี้พราขา้าเสมือนข้าวสาลีอันขาวผสมกับแกงเนื้อข้าพระเจ้าบริโภคแล้วฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่ได้ประพฤติอยู่ในธรรม ที่เราพระอริยสั่งนิรแล้วก็เป็นข้อแก้ตัวของเขาครับมันจริงเนี่ยเพราะว่าอาศัยพราชานี้ชีพใช่ไห ม, มได้ข้าวสาลีได้อะไรต่ออะไรนะครับเนี่ยเขาก็เลยทําอย่างเนี้ยนะเขาเห็นเป็นอย่างนี้แหละเห็นแก่ฝากแก่ท้องเกี่ยวความคุณอยู่เขาก็เลยรู้นะว่ามันไม่ถูกทำใช่ไหมครับแต่ก็ต้องทำนะเพราะว่าอาศัยพราชาแล้วบุตรจันทานั้นได้กราบสองคาถาว่าดังนี้ท่านพาม เราติดเตียงการได้ซ้ำและการได้ย่นเพราะนั่นเป็นการเลี้ยงชีพด้วยความเป็นเหตุให้ตกต่าและเป็นการเลี้ยงชีพดยทางที่ไม่ชอบทำจะประโยชน์อันใดด้วยการเลี้ยงชีพเช่นนั้นท่านจงรีบออกไปเสียเถอะท่านมหาพร้า <c oughs> ออกไปเลยนะ <c oughs> ออกไปไวเลยตัวใจพาไปเลยครับ เ, <c oughs> เแม้สัตว์ที่มีชีวิตรักอื่นก็ยังหุงหากินได้ความอารรมทำให้ท่านได้ประพฤติมาแล้ว อย่าได้ทําลายท่านดูก้อนหินทําลายหม้อนะฉะนั้นนะครับอืก็สือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอกุศลนะถ้าใจมารู้ว่าไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับมันทําไปอย่างนั้นนะครับเลี้ยไปกลเลยถ้าสารอืน่นยังหุงหากินหน้าใช่ไหมทําไมท่านจะอยู่ไม่ได้ขึ้นไปเลยมันมาทําชั่วนี่เลยนะครับทรงติดเตียนนะผู้โดยอทรงติดเตียนครับแล้วก็มีสีกษะหมด ดูก่อนพระสทั้งหลายแม้ในการครั้งนั้นพารามนั่งบนอาสนะต่ำซ้อนมนต์แก่พระเจ้าแผ่นดินผู้ประทับนั่งบนพระราชาสู ง, สงยังไม่เป็นที่พอใจของเราฉะนั้นในการบัด น, นี้จักพอใจที่พิะสูตรนั่งบนอาสนะต่ําและแสดงธรรมแก่คนนั่งบนอาสนะสูงเล่าทรงตีตีแล้วก็เบียร์สิกามนี้ขึ้นมาครับในเรื่องนี้คนจันทานไม่ถูกประหาชีวิตนะครับเคยฟังใช่ไหม พระราชาอะไรว่าจะมอบพระราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ทรงถามดูก่อนนะว่าเป็นคนอะไรใช่ไหมครับเขาบอกเป็นคนจันทาก็เลยไม่สามารถที่จะรับอะไรนะราชสมบัติครึ่งหนึ่งได้ใช่ไหมครับก็เลยมอบเป็นพระราชาตองคงคืนก็นแล้วกันนะเขาเป็นพระราชาตองค์คืนเนี่ยให้มาเสวยบราชสมบัติตองค์คืนเพราะเป็นคนจันทาจะมาตั้งตำแหน่งพรราชาไม่ได้ คนจะมายอมรับนะครับก็เลยหมอกนี้นะให้มาส่วยให้สมบัติตำรงคืน ก, ก็รด้การนะครับพระชาติสมัยก่อนไม่ธรรมดานะได้เด็นครับพอฟังอะไรเพียเป็นผลแล้วก็เริ่วมใส่ศรัทธาใช่ไหมครับก็สา ม, มารถให้ได้เลยจําได้มไหมหนูพี่สมร์แกเล่านะเรื่องทูตของท้องนะครับเนะ่ะอันนั้นอันนั้นพระราชาเขาทำอะไรให้นะหมอ้อที่สมบัติให้ลูกบ้าครับพอจําได้นะ เขาทาอะไรให้หรือปูนปูนเน็ตให้นี่แหละก็ว่าจะได้อะไรเยอะอยไหนนครับ <c oughs> ดีเขาบอกเป็นทูตของท้องทูตแห่งตันหาใช่ไมพรราชาคานี้ไม่คดนได้ฟังเลยนะมันประกอบในอด้ทําใช่ไหมครับทรงเลื่อมแล้วก็ให้บอกวอ่าอะไรจำไม่ได้นะสั ญ, ญญานี่จะ <c oughs> มอบคุณสมบัติให้ครึ่งหนึ่งหีือ่าให้เป็นระาชว่ามีกังวันด้วยอ๋อคับ ให้เป็นพระราชาีป็นกนุลบันใช่ไหมครับสบายเลยนั่นน่ะเพราะคือใ ห, ใ, หให้เป็นประราชาหรือว่ามันสบายอที่คิดไหมเราคงเป็นแล้วไ่สบา ย, อ, ยอืมครับรกุลบันก็มตติถาบทนะสาิบานข้อนี้ไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่สิบนะครับสามทิบีนิทานข้างนั้นปัจจุบคี ยืนแสดงธรรมแก่บุคคลผู้นั่งอยู่รองทรงที่บายว่าพิสุดาสายความไม่เ อ, อื้อเฟื้อยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นค่ายผู้นั่งอยู่ต้องบัติกรข้อสิบเดสามวันทีนิทานครั้งนั้นก็จ้บบาปักขีเดินไปข้างหลังแสดงธรรมแก่บุคคลผู้เดินไปข้างหน้านะครับนี่ไม่ได้ฮนะะเดินข้างหลังก็เดินนําหน้าราเนี่นะแล้วก็แสดงฟังนะครับไม่เคารพธรรมเลยนะอันนี้ เค่นี้มาอนามบัดก็เหมือนกันข้อที่สิบสองครั้งนั้นประชาปัจจคีเดินไปนอกทางแสดงธรรมแก่ บ, บุคคลผู้เดินไปในทางนะครับท่วนก็สอนที่บายว่าที่สุดาสายความไม่อึดอ้อเดินไปนอกทางแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นใครผู้เดินไปในทางต้องบัดทุกข์อนามบัดก็เหมือนกันนะครับไม่จงใจเผลอไม่รู้อาภาเมญตราวิกชนจริตอธิกกรรมไม่ต้องอาบัตอะไร ต่อไปครับบุรลุครามขึนมาในกลางขาหนึ่งนอยนีดเทียบกันนะครับอ๋ อ, น, น, อ น, นี่นี่เดียวนะครับข้อที่หกสิบเอ็ดหกิบสองเกี่ยวกับเขียงเท้ารองเท้านะอธิบายปลาดุากกะสิอขาบด ในสิขาบทที่ห้าบ่นว่าปาทูกาบหัสะได้แก่ผู้เหยียบเขียงเท้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้สอดนิ้วเท้าเข้าไปในสายเขียงเท้าคล้ายคันล่มหรือสอดเข้าไปแล้วยืนสวมอยู่นะครับในสิขาบทที่หกก็มีในนี้เหมือนกันเป็นกเปลี่ยนในเขียงเท้าไปรองเท้าใช่ไหมก็ในสิกขาบทนี้ถ้าคุริฮันยืนสวมรองเท้าหุ้มส้นเรียกว่าโอมุกาะนะครับ ก็พสูจน์ชัดแสดงทำแก่เขาไม่ควรนะครับ น, นี่นะผู้น้องท้าหุ้มส่อนนะครับแต่ดูในภาพบานีตอนแรกท่านก็เอาหมดใช่ไมอมท้าหุ้มซ้อนนันคือผู้นึองทีหลังนะครับผูนทีหลก็หมดเลยนะหุ้มไม่หุ้มนะครับไม่ได้ก็ใสยความเขาลบคำนะครับรูนน ว, ว่าไหนน ะ, อะไอ้ที่อย่างตั้งง่ายนะนี่นนครับหนึ่งใน เพราะว่าในพระบาลินท่านบอกว่อย่างนี้นะผู้นะครับเหยียบรองเท้าก็ดีใช่ไมสุบรองเท้าก็ดีผู้สูงรองเท้ายิ่สั่งจดีจจะพูดถึงทั้งหมดเนะแล้วก็ชันเลยนะสอนนี้เข้าไปอนะี้อันนี้จบแค่นี้นะครับไม่มีอรอย่เือนนี้าเพิ่มเติมนะครับ แเขียงท้ารองท้าหุ้มส้วงเขียงท้าหุ้มซ่อ น, นนะไม่มีอั้อันนี้ขึ้นข้อใหม่ต่อไปหนะ้าต่อไปข้อที่หแล<อ>้วครับลบข้าให้สวมสวมได้ใส่อ๋อหน้ท้าหุ้มซ่อนไม่ได้ครับไม่ใช่หุ้มซ<อ>่อนครับปิดหน้าเท้ า, าจะจะนั้นคุยกันเนี้ยไม่เขียนะ ความจริงใครตีความว่าคือมางท่านก็ตีว่าเพราะหุ้มหลังเท้ามันจะมีคํานี้นะครับรองเท้าหุ้มหลังเท้ามางท่านก็ตีว่าหุ้มหลังเท้าทั้งหมดเลยมันก็รองเท้าข้าใบายอย่างเงี้ยน ะ, ะแต่บางคนก็ตีหนังว่าไม่ได้เลยหุม้มหน่อยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ในสามบอกแค่นั้นนะท่านก็ไม่ได้อธิบายเยอะครับรองเท้าหุ้มหลังเท้าเอง มันีหงุเนยมันเจ็บเจ็บมากเลยอืมครับก็อยู่เันเดือนอะอยู่ที่ผมยังใส่รองไว้เจ็บเลยรงเ่าอืมครับอ็เพื่งทาตัวครับครลอถามดูว่าใครได้แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ <c oughs> เป็นมันอตีที่มันมีตีสายกันอกิกไปหแต่ว่าอาจารย์เพยยียงแล้วก็จะแนะนาให้ให้ถือข้างหนังไห้นะให้ส่รองเท้าแบบแบนบหนีธรรมดา มันจะมีหนีบแล้วก็รองเท้าหุ่คล้อยใช่ไหมรองเท้าต่างต า, งางปูอะาได้ไหมครับถ้าใครอยู่ยบ้านนอกนะ่ะตาปูนี่มันจะคล้อยกันอย่างเงี้ยนะสองอันนะ่ะแต่ว่ามันจะใหญ่นะ่ะใช่ไหมครับ เ, เออ ใ, ใสม่มหมอย่างงั้นก็พอหนา้าไอ้ที่มันไม่ได้คุ้มมากนะครับเห็นใครไปปาดลองเท้าใช้วิธีอย่างงี้ก็ได้นะถ้าเราแกงวันมันจะหุ่มรองเท้ามากใช่ไหมล้วก็ปาด ในคู่เก่ามันก็ปานนะปานให้เคู่มาคล้ายเป็นสายแค่นั้นพอครับใช้วิธีนี้ได้แล้วรองเท้าสีดําใช้ไม่ได้นะครับต้องหายทำลายสีก่อนนะถ้าเป็นสีดํานะครับมันจะมีรองเท้าสีอะไรที่ใช้ไม่ได้มีสีดำนะครับสีเขียวเหลืองแดงบางเย็นชมพูสีแสดครับอื่นะครับสีพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับอื เราก็ดูให้ดีก็แล้วรองเท้าสีอะไรคือสีคนนี้ขึ้นมาแต่มันล้วนเลยนะสีล้วนๆเลยเขาเป็นสีขาวผสมขาวขาวขาวก็เหมือนกับมันจะได้ใสแล้วต้องเป็นสีขาวขาวขาวแดดไอตัวรองเท้าเหรอนะตัวรองเท้ากับถ้าเป็นสายก็อีกอันหครับสายรองเท้าสีนั้นล้วนก็ไม่ได้ตัวรองเท้าสีนั้นล้วนก็ไม่ได้ครับก็อะไรมาทําลายสีก็ได้นะ เอาปากกาี่พูดอะไระเราอาิดลยดไหให้มันเป็นเรออาไม่ได้มันก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมหาอะไรมาทำลายสีกันแล้วกั น, นครับถ้าแบบทาอุ ก, กิจจะทายังไงสเปรย์พ่นเลยหาคู่ใหม่ก็เลยไม่ไดีเอาสเปรย์พ่นให้มันเปี่ยสีเอาสีอะไรมาป้าก็ได้สีที่มันใช้ได้ แต่น้ำเงินไม่มีห้ามนะนเงินนีนนะนนน่ครับสีขาเขาก็ได้สีเท้าก็ได้ครับสีน้ำตาอะไรที่เราใช้บีเนี่ยได้ต่อไปนี้ครับขึ้นยาเลยนะขึ้นยาเลงนะ ข, ข้อที่หกสิบสามนะครับอธิบายยานะ้าสีขาบทหน้าสีขาบทที่เจ็ดถ้าเครื่องหักนะครับ ถูกคนสองคนประสานมือกันวุ้มเดินไปก็ดีตอนนี้เขาแปลไม่ค่อยนั่นะนะความยากนะครับแต่ท่านฟังอันนี้ดีกว่านะเขาจะเรื่องนี้ชัดเจ น, นเขาแปลชัดเจนกว่า<ส>ที่คนนั่งอยู่บนยานนะเขาบอกคนที่ถูกชนสองคนหามไปด้วยมือประสานกันก็ดีใช่ไหมที่พูดแล้วนะครับเอามือมาจับกันแล้วก็ให้นั่งบนนี้นะคนที่เขาวางไว้บนท่า แล้วใช้บ่าบแบกไปก็ดีโหเนี่ยแบกบนบาเลยนะไม่ใช่ว่าขึ้นหลังเฉยนะครับนี่แบกขึ้นบ่าเลยขี่คอยนี่ <c oughs> หว่าแล้นั่งบนผ้าก่อนนะครับแล้วก็แบกขึ้นบาอานะคนผู้นั่งบนยานที่ไม่ได้เทียมนะครับมีคันหานเป็นต้นก็ดีไอ้พวกยานพวกเนี้ยที่ใช้สันว์ล่างใช้คนแบกนะครับถ้าเราจะนั่งไม่ได้นะต้องบรรทุกกล น, นะครับ ผู้ประเอินเดีย India, หนุ่ยให้ดีนะมันจะมีเวลาขึ้นขางพ่จกูใช่ไหมเขาจะให้คนหามขึ้นนะครับก็จะมีพวกเปลืหาพวกอะไรนะอันนั้นพลาดไปนั่งไม่ได้นะครับเพราะมันใช้คนใช้สัตว์แบบหามขึ้นไปนะครับเราหน้าแต่รถธรรมดาที่มันใช้เครื่องนะครับถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะไม่แต่รถเข็นนึงก็ไม่ได้ครับรถเข็นนึงก็ไม่ได้นะ น, นะครับถ้าเราไม่ได้ป่วยถ้าาป่วยได้รถเข็นที่โรงพยาบาลก็ดีรถเข็นแถวบ้านนอกก็ดีนะครับ อาจใช่เนเนแนนก็นถ้าหนุม่มมันจนเล่นกันไง mm hmm. ถ้าขึ้นไปนั่งเนนก็ช่วยในการแข็งไปวิ่งสนุกเลยนะ mm hmm. ไม่ได้นะ mm hmm. มันใช้สัตวล่างนะครับใช้ไม่ได้นะ mm hmm. นอกจากอาผ้าถึงจะได้นะครับ mm hmm. อืมคนผู้นั่งบนยางที่ไม่ได้เทียงนะครับมีคาหาเรเป็นต้นก็ดี่นี่ไม่ได้เทียมเกลี้ยใช่ไหมแต่คนแบกไป <c oughs> ผู้นั่งบนยานที่เขาลื้อออกวางไว้แม้มีแต่เพียงร้อ ก, ก็ดีนะครับย่อมถึงการนับว่าคู่ไปในยานท่านั้ น, นครับ <c oughs> ผู้อย่างอังกฤษเลยนัว่าเหลือแค่ล้องอย่างก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคนแม้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งพระทั้งโยมนะนั่งไปบนญาณเดียวกันนะครับจะแสดงธรรมแก่อีกฝ่ายหนึ่งควรอยู่นะครับเพราะถือว่านั่งบรรยานเหมือนกัน เราต้องนั่งบนญาณที hmm. Money, salt, Money, source, Money, ่เสมอกันใช่ไหมหรือว่าสูงกว่าวิญญาณที่ไปข้างหน้านะแม้ในสองคนผู้นั่งแยกกันฝ่ายผู้นั่งอยู่บนญาณสูงจะแสดงธรรมแก่ฝ่ายผู้นั่งอยู่บนญาณต่ําก็ควรนะจะแสดงธรรมแก่ผู้นั่งบนแม้บนญาณที่เสมอกันก็ควรพิสูพุนั่งบนญาณข้างหน้าจะแสดงธรรมแก่ผู้นั่งบนญาณข้างหลังควรนะแต่พิสูพุนั่งบนญานข้างหลังแม้สูงกว่า จะแสดงแก่ผู้น่าบนยางข้างหน้าซึ่งไม่เจ็บไข้ไม่ครูรแสดงทาให้ใครก็แล้วแต่นะเป็นโยมผ้านี้ด้วยกันก็ไม่ได้นะครับต้องตามเทธิบายมากำหนดในคำขาอะไรต้บอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องหัดถูกคนสองคนประษา ม, มือนกันรุ้มเดินไปก็ดีคนที่เขาวางไว้บนผ้าแล้วให้ขี่ผ้าไปก็ดี คนที่นั่งอยู่บนยาณที่ไม่ได้เทียมมีวอเป็นต้นก็ดีนั่งอยู่บนยาณที่เขาหรือจอดไว้แม้มีเพียงล้อก็ดีถึงการนับว่าเขาอยู่ในยานทั้งสิ้นแต่ถ้าคนทั้งสองพิสูจ ก, กับคลหะหรือว่าพาดดกันก็แล้วแต่นั่งอยู่บนยาณเดียวกันจะแสดงธรรมก็ควรเมื่อทั้งสองนั่งอยู่คนละที่นั่งอยู่บนยาณที่สูงกว่ากันสูงกว่าสูงนะเท่ากัน จะแสดงธรรมก็ควรเช่นเดียวกันแล้วพิสุนั่งบนญาณข้างหน้าแสดงธรรมแก่ฤหัสนั่งอยู่บนญาณข้างหลังก็ควรนนเหมือนกันเนี่แต่พิสุผู้นั่งอยู่บนญาณข้างหลังถึงแม้จะสูงกว่าจะแสดงธรรมแก่โยมที่นั่งอยู่บนญาณข้างหน้าไม่ควร <c oughs> ต่อไปนะครับข้อสิบสี่อธิบายสยานะสิกขาบทนสิกขาบทที่แปดบทว่าสยนะคาตัดสัตวความว่านะครับ พิสูจผู้ยืนอยู่บนต่างหรือพื้นดินนะครับที่สูงก็ดีนะอันนี้นะครับไม่ใช่นอนเอาพิสเหมือนผู้ถึงพรานะถ้าอยู่ในอริยาบทยืนนะครับแม้จะยืนบนต่างสูงกว่าใช่ไหมบนพื้นดินนะครับนั่งอยู่ก็ดีไม่ควรสแสดงทราแกโยมที่นอนอยู่ถึงแม้จะเป็นการนอนบนเสื่อก็ตามบนพื้นก็ตามเพราะอยู่อิริยาบทที่สบายกว่าใช่ไหมครับ ถึงเราจะสูงกว่าก็ไม่เกี่ยวนะแต่พิสูจน์ผู้นอนอยู่จะแสดงธรรมแก่โยมผู้นอนอยู่นะได้จะเป็นการนอนในที่สูงกว่าหรือเท่ากันเนี่ยนะได้นะจะแสดงธรรมแก่โยมผู้นอนอยู่ก็ควรก็พิสูจน์ผู้นอนจะแสดงธรรมแก่โยมที่ยืนนั่งหรือนอนก็ควรพิสูจนนั่งจะแสดงธรรมแก่โยมที่ยืนหรือนั่งสมควรเหมือนกัน พิสู้ยืนอยู่จ ะ, ะแสดงธรรมแก่ผู้ยืนอยู่เท่านะั้นจึงจะขวด ไ, ไม่ยากนะใช่นะความนั้ท่านจะมีผู้ถึงนะผู้ถึงเทียบเท่าฝั่งนะครับกีดับคนที่ถือล่มนะท่านบอกว่าพิสูอยู่ในยาณเหมือนกันนะครับหากจ ะ, ะแสดงธรรมแก่ผู้อยู่ในยานย่อมสมควรฉามใดใช่ไหม พานก็อยู่็นรถเดียวก็อยู่เป็นรถนะครับทั้สสงสองขวานเส ม, มือนกันนีว่สูงกว่าในได้พิสูกั้นล่มจะแสดงธรรมแก่ผู้กั้นล่มยอม่อสมควรฉะนั้นก็หาไม่หาไม่ได้นะครับ<ม>เขาไม่ไป็นไข้นะเราถือล่มอยู่ใช่ไหมเขาก็ถือล่มด้วยนะครับเราแสดงธรรมให้เขาฟังเนี่ยถือว่าถือล่มเหมือกันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไมไดไมไดะมันเทียบกันไม่ได้นะครับคนละแบบถ้าอยู่ในยาด้วยกันเนี่ยได้ แต่ถ้าว่าถือล่อมด้วยกันถือไ ม, ม้ฟองเหมือนกันอย่าง น, นี้มไม่ได้ไม่ง่ายไม่มประมาณอย่างนั้นเนะ <c oughs> มื่อถือนานมากเลยนะ <c oughs> ถือปืนแล้วก็สดแดงไม่อยู่ฟังโอ้โนะยมีกระจายสดแดงคอยู่ที่ชายด้ <c oughs> <c oughs> าลายอรเนี่ย ต่อไปนะครับข้อที่24นะอธิบายปรนธิกาสิกขาหมดเหีุการณ์นนะั่งรับขาวข้อนี้ง่ายครับในสิกขาที่เก้ามาดาการนั่งรับข่าวด้วยมือหรือผ้าที่สุดแสดงทาแก่โยมที่นั่งรับข่าวด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ขวดไม่กดทั้งนั้นเลย้อ26นะครับอธิบายเวทิตาสิกขาหมด นสิการที่สิบคาว่าเวทิตศาศีรษะก็แปลว่าพันนะผู้พันศีรษะที่ไหมคหรับหืพ่อศีระคือภิกษุไม่ควรแสดงธรรมแก่ผู้พ่พอศีรษะจะด้วยพอ่อศีระด้วยผ้าก็ตามด้วยพวงดอกไม้ก็ตามไม่ชิดเลยนะจนมองไม่เห็นริมผมนะครับเพราะนั่นก็ดูให้ดีนะครับถ้ามันจะเห็นริมผมเห็นผมโผล่มาใช่ไหมก็ได้หันให้มันเป็นอะไรใช่เวลาเข้าใส่หมูดธรรมดาเนะี่ย มางทีหมวกมันไม่ได้คุมทั้งหมดใช่ไหมครับมันจะมีบางที่ที่ผมต้องโผล่นะนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาสวมหมวกข้างบนใช่ไหมแต่ผมย้ําก็ยังโผล่อยู่อย่างนี้นะอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าเป็นอาบัต น, นะเพราะผมเขาก็เปิดอยู่นะครับอันนี้หมายถึงมิฉิดเลยด้วยเห็นนั้นแล้วสิขาบท น, นี้จึงมีอนาบัตที่มุภาพเจ้าตัดไว้ว่าให้เขาเปิดแสดงปลายผมแล้ว จะแสดงทำไม่ฟังก็ควรนะครับขออนุญาตเปิดหน้อยแล <c oughs> ฟังสำคัญที่ผุอใช่ครับความสำคัญที่ผ ม, ม, ผมเลยอืมครับแต่คราวนีไม่ค่อยเจอนะ้คนไทยที่ไม่ะจะมีคนแขกอะไรงเงียอาจจะมีครับคนไทยไม่คยยม่ยอยนิยมเท่าไหร่ครับต่อไปครับข้อที่27อธิบายโอคุนิตาสือขาบมด ในสิกขาบทที่สิบเอ็ดคำว่าโอคุณิตาศีรร ะ, ะได้แก่ห่มคลุมทั้งศีรษะนี่นะครับาก็เหมือนเดิมห่มคลุมทั้งสีส ะ, ะ, เ, เ, สสะเขแปลตามสัมเลยนะก็ในสิกขาบทนี้มีอานาบทเพิ่มขึ้นมาคือให้เขาโชว์ีรษะแล้วแสดงเท่าไม่ต้องอาบัต น, นะครับถึงมันจะไม่คุมทั้งศีรษะไม่ได้ห่มคลุมแต่ต้องทำ แต่ผ้ามาคลุมมือนพวกสายสลางนั้นน่ะก็ไม่ได้เหมกันนะถ้ามีดิดหมดหรอกถ้าปิดหมดนะหรืว ม, มันจะไปเข้าครอบพันครอบพอกเข้าก็ไม่เรียกว่ า, าพันพอกใช่ไหมถ้าพัานก็เอามาพัานใช่ไหมครับอีแบบหนึ่ง น, นะอันนั้นก็ไม่ได้นะครับไม่ได้เหมกันนะก็ต้องค่อยโชว์แสดงนะครับให้เขาโชว์แสดงสีสันและแสดงครรมนี่ไม่ต้องอำนาจได้ต่อไปนะครับข้อที่หกสิบแปด อธิบายชะมาสิขาบทในสิขาบทที่สิบสองคำว่าชะมายนสิทิตวาได้แก่นั่งอยู่บนพื้นคาว่าอ า, าเสนได้แก่นั่งอยู่บนที่นั่งถึงแม้จะนั่งบนผ้านรหรือหญ้าที่ล่าไว้ก็ตากก็ไม่ได้ถือว่านั่งสูงกว่าเราดีกว่าเราตนะ่ <c oughs> อไปครับ อ, อ๋ออันนี้เกี่ยวเวลานั่งกับผ้าถิ่นละก็เหมือนกันนะผ้าถิลนั่งบนพื้นอะ เราจะั่งบนอาสนะบนอะไรไม่ได้ครับนะเมื่อที่ผมกันนนองวลในตอนพุทธปริวาใ <c oughs> คอยดูไปเรื่อยนะพระดิล่นั่งตัวอะไรนั่งหรืวเปล่านี่อันนีไม่ได้นะพระดิล่านั่งกับพื้นเลยใช่ไหมครับแล้วเรากนะ็นั่งบนอาสนะนะนั่งบนหญ้าอรองใช่ไหมหรือนั่งบนรองเท้ามันก็ไม่ได้ครับถือว่านั่งบนอาสนะสูงกว่าท่านนะครับก็ต้องรู้ให้ดีนะเมื่อวานไปฟังธรรมสานั่งที่เคย ต้องดูด้วยกางอี้สูงกว่าท่านหรือเปล่านะถ้ากาอี้สูงกว่าก็ไม่ได้นะครับนั่นครับอะไรครับสมมอกันใช่ไหมครับเมื่อวานครับถ้าสมมติกันได้สมมติกันกับใครสมตกับพระเป็นไหนะต้องดูเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนผมก็สงสัยถ้าพระเถระท่านไม่ได้นั่งกับพื้นแต่ท่นั่งยองเราจะไปนั่งมมนาสนาได้หรือเปล่า ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าอิริยาบถนั่งเหมือกันนะก็ต้องดูนกันต่อไปนะครับข้อที่หกสิบเก้านะครับอธิบายนีนจากศานสิกขาบทราิกาบที่สิบสามว่าอุจเจอาเนนสนบนัสนะสูงใช่ไหมแปลว่านั่งอยู่บนที่สูงแม้จะเป็นพื้นดินที่สูงกว่าก็ตามไม่ได้เพรานั่งสูงกว่าเราใช่ไหม เป็นพื้นดิบมันเนนขึ้นเพราะก็นั่งขงบนเรานักงข้างล่างเนี่ยไม่ได้ครัไม่เป็นพูดถึงอาซาน่าหรือว่ากั้งอี้อย่างนี้นะครับถ้านว่าการที่จะนั่งสงบภาคถึงล่านได้นะมีในกรณีไหนครับ <laughs> ยังยังไม่ถูกครับอ่าแสดงคำหรือว่าสุดปฏิโมกนี่นะครับแสดงคำวินยัยหรือสุดปฏิโมก ค, ครับจะได้ในกรณีนี้นะครับ เองครับข้อที่เจ็ดสิบนะครับอธิบายขิตากสิกขาบทในสิกขาบทที่สิบสี่คำว่านั่งตัวนิสิตนัสสะใช่ไหมนั่งอยู่เรานั่งอยู่จะไม่แสดงธรรมแก่บคุคคลเราเดินอยู่ใช่ไหมครับไม่แสดงธรรตรอคนผู้นั่งอยู่ความว่าพระมหาเถระนั่งอยู่บนอาสนะเนี่ยนะพระมหาเถระนั่งเลยถามปัญหากับพิสุนุ่ม ที่มาอุปถัมภ์ตนยืนอยู่เนี่ยพิสุหนุ่มยืนนะครับพิสุหนุ่มนั้นไม่ควรตอบแต่ด้วยความเคารพเธอก็ไม่อาจจะบอกให้พระเถระลุกขึ้นยืนถามนะครับอาจารย์ลุกขึ้นเถอะไม่มีไอทีหนึ่งนะครับแนรเข้าไปประเคนขอให้พระนะแล้วทีนี้พระอยู่ไกลนะครับท่านก็เลยเรียกเข้ามาเลยนี่ถ้าเป็ น, น, น, น, นยักษ์หน้าต่อมนุษย์ เรียกมาพ่อมาใกล้ๆนี่ไม่แนสบายน้เรื่องนะเนี่งท่านลูกแกน่นาจะเข้าไปใกล้ๆท่านใช่อันนี้เรียกสมายใกล้ๆผอมาม่สบายนะครับที่แหมพ่อมาใกล้ๆนีเไปงานตรงไหนที่ไหนที่ที่วัดถานนะมก่อนนี้ที่วัดถานนะนั่นมันเข้าไม่ได้หรอกจะไปท่านลูกนั่น้า ลกขึ้นอาจารย์ลูกขึ้นแสดงใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไมพูดอย่างนี้นะครัาไม่ได้เพราะฉะนั้นพักพิสู่นหนุ่มนะจะกล่าด้วยคิดว่าเราจะพูดกับพิสูจผู้อยู่ข้างควรอยู่นะครับทาใจอย่างนี้นะถึงจยใช้ได้นะครับดีนจะนาดจะไม่ว่าอะไรนะครับเม้ก็รู้วิไหน นี่นะท่านก็พูดถึงนาฎิกาพูดถึงตรนนี้นะครับอย่พี่อยายใังคืออันนี้ก็ก8เหมือนกันนะแต่มีในความอยู่นะครับูนั่งอยู่ถ้าบอกว่าแม้หาพระมหาเถรา่าทำในนาฎิการครับอย่างที่น้าพิสุดุไ ม, ม่ควรสล่าวธรรมเนี่ยเพราะฐานะแห่งความสงสัยถึงตนมาก็ว่าพาะเถร่าสงสยัย ก็เลยถามพิสูจน์นะครับอาณาพาเทราถามแล้วนะครับ น, นั่นไม่คนที่จะตอบนะพิสูจน์ถูกพระมหาเถระถามเพื่อจะรู้ความฉลาดเนี่ยของเธอลองภูมิอยู่ใช่ไหมว่าลูกศิษย์เราเนี่ยแกรู้แค่ไหนใช่ไหมครับไม่เชื่อพระเถราะจะไม่รู้นะ ล, ลองภูมิใชยจะตอบด้วยในการให้การสร้างถามของอาจารย์ผู้น่าบุรุษหน้าสูงกว่าก็ควรนะครับนี่ในตีการนะบอว่าได้ถ้าในกรณีนี้ เราใส่นะครับกลับมาข้อที่หน้าหน้าเราไปเลยนะครับสองร้อยแปสองข้อที่เจ็สิบเอ็ดนะครับอธิบายปัจฉโตไอโคเป็นโตนะตังขานนะครับปัจฉโตขามานาสิกขาบทในศิขาบทที่สิบห้าถ้าพิสูจน์เดินไปข้างหน้านะครับถ า, รถามปัญหาลูกพี่ข้างหน้าถามปัญหาเราเใช่ไหม ไม่ควรเฉลยปัญหานั้นแก่เธอควรกล่าวควรกล่าวด้วยคิดว่าเราจะบอกแก่ที่สุดผู้อยู่ข้างหลังได้นะครับเนี่ยอยู่ที่การวางใจอย่างเดียวนะพอริยนเพื่อนบ้านเราจะฉลาดนะครับเราจะรู้วิธีว่าทำยังไยที่ทําให้เราไม่ต้องอาบัตินะเพราะเวลาเราไปหลายๆที่จะเจอายสถานการณ์นะครับถ้าเราไม่เรียนมานี่ทําไม่ถูกเลยนะบางทีก็อุยจะไม่ทำอย่างนั้นก็เนี่ย นี่ก็โดยว่าโดนเพ่งแรงพูดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไมครับแต่กรณีเราจะดูวิธีเลี่ยงนะทําที่ไม่ทําให้ต้องอาบัตรนะครับเนี่ยมีสองแยกนะครับข้อแรกใช่ไหมอะไรกองสิ่งของตนเป็นคุ้มคของได้ดีที่ไหมครับมัจะรู้บางวิธีนะครับเนี่ยได้วยสายใจอย่างนี้ได้นะจะสา ท, ทยายคําที่มีมาร่วมกั น, นก็ได้ส่วนพระประินส่วนปฏิมบอกอะไรช่องสารทะยายมุนด้วยกันนะครับ ไม่เป็นไรไม่มีใครแสดงให้ใครฟังนะหรือจะบอกแก บ, บุคคลที่เดินไปพร้อมกันควรอยู่ได้แล้วนะนำหน้านี้ไม่ได้ข้อที่เจ็ดสองอธิบายปุปตะเขนะนะครับไอโนหนุเต็นมันสระเอนะไม่ใช่เป็นอุ ป, ปน้าทอปปุปัะเถนะคำน้าสิกขาบทนะครับในสิกขาบทที่สิบหกในคำว่า อุปาฏ์เถนะนะครับถ้าชมสองฝ่ายเดินไปพร้อมกันบนทางเกวียนเนี่ยสำมว่ทางเกวียนใช่ไหมตามทางล้อเกวียนคนละข้างนะก็เดินไปนะอันนี้ก็แสดงกันฝังได้เพราะถือว่าอยู่บนทางเหมือนกันนะหรือออกออกนอกทางเหมือนกันเลยจะแสดงธรรมก็ควรได้